บ้านเมืองยุคสมัยการเป็นอยู่ถ้าพิจารณาดูแล้วตามหลักทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวันน่าเบื่อไม่น่าพิรม่มน่าเบื่อแต่พวกเราท่านทั้งหลายมันไม่เบื่อจริง าหาว่าสิ่งไหนที่มันไม่พอใจไม่พึงปรารถนาก็เบื่อมันว่างั้ น, นแต่สิ่งไหนที่พอใจก็ชอบใจไม่เบื่อสรุปแล้วก็คือเบื่อตัวหนึ่งมันอยากตัวหนึ่งอยากตัวหนึ่งมันเบื่อตัวหนึ่งฮะมันไม่ใช่เบื่อจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เบื่อคล้ายๆกับว่าคําว่าสุข แม้แต่เม็ดงาขาลิ้นก็ไม่อยู่ในจิตใจเม็ดงาอย่างตัวเล็กพอแรงอย่างขาลิ้นหรือว่างั้นะลิ้นตัวเล็กนะที่มันกัดเราตกที่คันๆน่ะอขาลิ้นมันตัวลิ้นกันเล็กพอลังแล้วย่างขามันอีกว่างั้นให้มองโลกหรือมองความสุขในสรรพสัตว์ทั้งหลายการเป็นอยู่ให้มีความรู้เท่ามองไม่เห็นความสุขในวัฏสงสารเท่าเม็ดงาขาลิ้น แ้าตามมันจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมจึงว่าเป็นอย่างนั้นใช่คนเรานะ่เมื่ออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขนอนหลับมีเงินใช้มีเครื่องอำนวยความสะดวกนะมันก็ว่ามีความสุขในระดับหนึ่งแต่เมื่อใจจะขาดนะเจ้กขเวทนาจุดนั้นน่ะเอามาประมวลใส่กันเอามาทบทวนใส่กัน เอามาบวกลบคูณหารเอาขึ้นมาตายช่างใส่กันอันหนึ่งช่างทุกอันหนึ่งช่างสุขนะที่เรามีความสุขขึ้นมาเนะี่ยตั้งแต่วันเกิดแล้วก็เอามาช่างใส่วันตายมาช่างใส่กันดูซิว่าความสุขนั้นอันไหนความทุกข์กับความสุขนั้นอันไหนมากกว่ากันถ้าขึ้นตายช่างดูแล้วก็คงจะความทุกข์มากกว่าแต่มมนก็พอทุกเสร็จแล้วผ่านไปเล ย, ยงนั้นแหละ มันไมได้มาแก้ตัวอีกไม่ได้มาพูดมาเล่าให้ใครฟังอีกเพราะมันผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่ความทุกนั้นเป็นความทุกข์ที่สุดๆนะุดอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านมองเห็นแล้วว่าความทุกข์มหันนะเพราะฉนั้นอย่าไปนอนใจอย่าไปชะลาใจอย่าไปตายใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คือทำคําสั่งสอนถึงเราจะทําไม่ได้ เราก็ควรคิดไว้ก่อนคำหนึ่งไว้ก่อนจริงไหมดูไว้ก่อนสำนึกไว้ก่อนไตรตรองไว้ก่อนที่พระพุทธเจ้านะพูดนะจริงไหมแต่นีเมื่อเราบา ร, รมีแก่กล้านะบุญบา ร, รมีของเราถึงบุญบา ร, รมีของเราได้สั่งสมมามากแล้วนั่นแหละเราจะเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้า ตรัสได้บอกไว้เราก็จะจะสบัดตึ๊บสบัดออกจากตัวเองในสบัดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตในใจแล้วสบัดออกนั่นแหละแต่ถ้าว่าเราสบัดไม่ได้นะมันยังเหนียวติดเราอยู่สบัดไปทางนู้นติดทางนี้ฉบัดทางนี้ติดทางนู้นผลที่สุดมันก็จะติดจิตติดใจพันอิหลุงตวงนังกันไปไม่ได้เอาตายซะก่อนชาตินั้นเพราะยังไม่เห็นโทษมัน เกิดมาพบนาชาติหนาเอาอีกบัมเพลงอีกบางทีบางชาติก็ขาดทุนเหมือนกันนะไม่ได้คิดเหมือนนแตไม่ได้คิดแปลว่านันชาตินั้นขาดทุนถ้าเกิดมาชาติไหนได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้พบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ก็คือบัณฑิตก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะชี้นาให้เห็นโทษ เกิดมาพบนั้นชาตินั้นไปว่าได้กำไรเราได้ไต่ตรองเหตุและผลได้สั่งสมบรัลรมีขึ้นมาในชาตินั้นแต่พอชาติต่อไปอีกขาดทุนอีกไม่ได้คิดได้อ่านอะไรมีแต่หาใส่ปากใส่ท้องเลียงปากเลี้ยงท้องไปเป็นวันวันผลสุดก็ตายไปก็ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรอันนั้นไปว่าขาดทุนชาตินั้นนี่แหละการเกิดก็ขาดทุนกาไรเหมือนกันนะถ่าจะว่าไปแล้ว ชาติที่ขาดทุนก็มีชาติที่มีกำาไรก็มนะีเพราะนั้นเกิดพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้อย่าให้ขาดทุนนะให้คิดไว้ให้มันได้กำไรกำกำไรชีวิตนะั่นนะคือสั่งสมคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละจากนั้นก็สั่งสมไปทีละน้อยละน้อยอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่สั่งสมมาสีอสงไข กำไรแสนกับพอมาเกิดแล้วนะเห็นไหมเกิดแล้วก็มีความสมบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างในคนทั้งหลายมีคนที่เกิดมาในโลกนี้มีศิทถะมีหมดทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างกว่ามนุษย์อีกต่างหาสติปัญญากาลังวังชาอะไรมากกว่ามนุษย์อีกต่างหา แต่พระพุทธองค์ทาใหม่จึงมองโลกอีกแบบหนึ่งนี่แหละจุดนี่แหละคือแบบบารมีแก่กล้าที่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมาแก่กล้าแล้วพร้อมที่จะสบัดออกละชาตินี้เหมือนนแต่ท่านจึงมองโลกไม่เหมือนปุถุชนทั้งหลายมองสิทธธมองผิดแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายมองจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้อายุยี่สิบเก้าปีก็ ออกบวชมีความคิดเห็นแปกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายถ้าเหมือนกับคนทั้งหลายคิดท่านก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ความคิดของท่านแปกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคนเรามันยังไม่เหมือนกันทั้งบุญบารมีเก่าด้วยทั้งบุญบารมีใหม่ด้วยท่านก็เกิดมาพร้อมแล้วกนั่นะไปบาเพ็ญอยู่ในปา่า หนีออกไปอยู่ในป่าแต่ตามไม่จริงถ้าคิดอย่างสามัญชนพวกเราที่มีกิเลสหนาะปัญญามืดเนะี่ยโอ้โหทำได้ยังไงสิทธิ์ถาเป็นพระเจ้าแผ่นดินลูกเมียก็มีทรัพย์สมบัติก็พร้อมพ่อแม่ก็มีพ่อก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะให้เป็นผู้ครองราชอิกต่างหากทำไมหักล้างนาใจของพ่อของแม่ของอ ลูกของเมียของวงศสาขนาญาติถึงขนาดนั้นถ้าคนมีกิเลสคิดก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่สิทธะคิดพยามัจจุราชความตายเนี่ยเดินย่องถือดาบเดินตามหลังเราอยู่ทุกขณะไม่มีเพลอเลยเราจะนอนใจเราจะชราใจได้อย่างไรถ้าหากว่าอีกวันหนึ่งวันดีคืนดีพยามัจจุราชตัดคอเราเสียเราจะหาความสุข ที่ไหนได้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหาวิธีการที่จะหนีจากมัจจุราชแก่เจ็บตายให้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกมีวิธีการไหนนี่แหละ พ, พระพุทธเจ้าท่านศิทธัตถะท่านมองแก่เจ็บตายเหมือนพยามัจจุราชเดินตามหลังอยู่ตลอดเว ล, เวลาไม่เพลิดึงนนอนกันถึงเราจะนอนหลับเขาก็นอนเฝ้าอยู่ยนั่นแหละพวกนั้น เรียว่าความคิดของชิตตะกับความคิดของปุตุชนทั้งหลายแตกต่างกันเพราะนั้นท่านจริงๆเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรตวธรรมในวันเดือนหกเพนเพราะท่านหาทางออกค้นคว้าเป็นเวลาถึงหปีเพราะนั้นจุดนี้พวกเราควรจะศึกษาท่านค้นคว้าอย่างไรท่านทําอย่างไรในขณะที่ท่านคิดท่านทําตนอย่างไรในขณะที่ท่านเป็นอยู่ จากนั้นแนวความคิดของท่านในขณะนั้นท่านเดินยังไงเดินไปสู่มรรคผลนิพพานของท่านทางด้าน จ, จิตใจแต่สรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต ก, แ, กแตกต่างกว่าศาสนาอื่นและความคิดสามัญชนอื่นๆสามัญชนอื่นเห็นแต่วัตถุภายนอกเงินคําทรัพย์สมบัติรูปโสมโนมพันหน้าตาเสร็จสวยงดงาม มั่งคั่งสมบูรณ์ยศถาปันดาศักการเป็นอยู่ล่ำรวยเงินคาไหลมาเทมาอยู่แบบสบายแต่พระพุทธเจ้าท่านมองถึงใจถึงจะมีเหล่านั้นก็เถอะจะใจเป็นทุกข์เสอย่างเดียวถ้าใจไม่รู้จักพอเสอย่างเดียวใจไม่รู้จักปล่อยวางเสอย่างเดียวใจไม่รู้เท่ารู้ทันเสอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นถึงจะมีกับมันเป็นเปลือกนอกเท่านั้นเอง หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านมองมองเข้าสู่จิตใจนะนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจคืออะไรคือนามธรรมนั่นะพวกเราท่านทั้งหลายไม่เคยมองไม่เคยคิดเลยจุดนั้นนะนะแต่ศีทศฐานคิดตรงไปถึงจุดนั้นนั่นะเนะพราะนั้นท่านจึงแตกแตกต่างกว่าพวกเราอารับพรณั น, นะ น, นี้อนุโมทนาให้พร